บทที่35หญิงสองร่างนางสองชาติเด็กชายอายุ8ปขวบผู้ซึ่งเป็นด็ตรกริตกลับชาติมาเกิดได้รับอนุญาตให้ร่วมเดินทางไปยังบ้านหญิงสองร่างนางสองชาติตับท่านพระครูและนายวิโก้ด้วยเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงต้องการให้เพื่อนของท่านได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเวียนไหวาตายเกิดซึ่งแม้ว่า เขาจะมีความรู้ระดับปัญญาเอกติดตัวมาจากชาติที่แล้วหากก็เป็นความรู้ในทางโลกซึ่งไม่สามารถช่วยให้หลุดพ้นจากทุก์ได้เขาจำเป็นต้องฝึกอบรมปัญญาหาความรู้ในทางธรรมที่จะนำไปสู่ความสูญสิ้นไปแห่งทุก์เช่นที่นายวิกโก้ทำได้แล้วและท่านก็หมดห่วงในลูกศิษย์ต่างชาติผู้นี้เพราะถึงอย่างไร เขาก็เวียนว่าอยู่ในสงสารสาครอีกไม่เกินเจ็ดชาติท่านปรารถนาจะให้ด็อกเตอร์กริปทำได้อย่างนั้นบ้างในหล่อผู้ซึ่งเคารพนับถือท่านพระครูไม่เสื่อมคลายด้วยว่าเคยะจนกับความเป็นความตายมาด้วยกันได้ขับรถไปส่งท่านและคณะจนสุดถนนคือไม่มีถนนที่จะให้วิ่งอีกต่อไป เส้นทางที่เหลือเป็นทุ่งนากว้างไกลสุดลูกหูลูกตาบรรพชิตหนึ่งรูปกับขหรหัด ส, สองคนจะต้องเดินตัดทุ่งไปอีกถึงหกชั่วโมงจึงจะถึงจุดหมายปลายทางคือบ้านในปุนขะบุดีผู้เป็นสามีของนางสะอิ้งขอบใจเองมากนะหล่อที่ช่วยมาส่งไม่เช่นนั้นคงทุลักทุเลน่าดูคงไม่ใช่น่นน า, ดนาดูหรอกลงพี่ ถ้าทุลักทุเลผมว่าไม่น่าดูมากกว่านายลอยยังติดนิสัยยวนแม้วัยจะใกล้สี่สิบเอาละเอาละจะน่าดูหรือไม่น่าดูข้าก็ขอบใจเองและจะมารับไหมเนี่ยมาสิครับว่าแต่หลวงพี่จะกลับเมื่อไรผมจะได้มาจอดรถรอตรงนี้มารืนเป็นไงค้างสักสองคืนพอไหม ท่านถามนายวิโก้คิดว่าพอครับแต่ถ้าไม่พอหลวงพ่อกับดรกริตกลับก่อนก็ได้ผมจะหาทางกลับเองในภายหลังนมจากต่างแดนตอบอย่างเกรงใจไม่ได้หรอกวิโก้จะทำอย่างนั้นไม่ได้หลวงพ่อไม่อนุญาตนั่นสิมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันถึงจะไม่ใช่เลือดสุพรรณก็ไม่เป็นไร นายหลอ่อพูดติดตลกท่านพระครูเห็นความจำเป็นจะ ต, ต้องใช้เห็นหนอเข้าช่วยจึงกำหนดเห็นหนอและตอบนายหล่อว่ามารืนเองมารอที่นี่ก่อนค่ำพวกข้าจะมาถึงตรงนี้ก่อนหกโมงเย็นครับผมจะมารอก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงเพื่อลงพี่มาถึงก่อนเวลานัดตกลงและอย่าลืมมาตามนัดก็แล้วกัน เอาล่ะเองกลับไปได้แล้วเดี๋ยวโยมประยง์ก็จะเป็นห่วงขับรถดีๆล่ะครับผมต้องขับดีแน่เข็ดแล้วไม่อยากซื้อรถไปทิ้งเหวอีกเขาว่ารถคันนั้นยังค้างอยู่บนยอดอยางที่เหวเข็ดอำเภอแม่สอดมาจนบัดนี้เอาล่ะเอาละ่ะอย่ามัวพูดมากจะกลับก็กลับได้แล้วท่านพระครูพูดตัดบท นายหลอยกมือขึ้นนมัสการลานายวิกโก้ไหว้พร้อมกับกล่าวขอบคุณส่วนด็อกเตอร์กริตกำลังคิดว่าจะไหว้หรือไม่ไหว้ดีแต่แล้วก็ตัดสินใจไหว้เมื่อคิดได้ว่าในชาตินี้ขณะนี้เขาคือเด็กชายอายุแดขวบแม้ว่าชาติที่แล้วจะเป็นด็อกตอร์กริตเพื่อนของท่านพระครูก็ตามนายหลอกกลับไปแล้วท่านพระครูและคณะจึงเดินทางต่อไป ลำบากหน่อยนะหนูทนได้หรือเปล่าท่านถามเด็กชายได้ครับท่านถึงชาตินี้ผมจะไม่เคยลำบากแต่ชาติที่แล้วผมก็ลำบากมากจึงพยายามคิดว่าผมคือเด็กชายกรีฑลูกชาวนาเด็กน้อยตอบแล้ววิกโก้ล่ะ เคยลำบากอย่างนี้ไหมท่านถามสิผู้มาจากต่างแดนไม่เคยครับแต่หลวงพ่อเคยสอนผมว่าการทำความดีต้องฝืนใจผมก็เลยคิดว่าจะอดทนทำงานนี้ให้สำเร็จผมกำลังทำความดีนะครับหลวงพ่อขณะนี้คนตะวันตกพากันสนใจพระพุทธศาสนามากงานวิจัยของผมจะช่วยให้พวกเขาเกิดความมั่นใจว่า สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีนั้นเป็นจริงทุกยุคทุกสมัยและท้าทายให้มาพิสูจน์ได้ทุกเมื่อถูกแล้วที่พระองค์ตรัสว่าธรรมะเป็นอากาลิโกคือไม่ประกอบด้วยการและเป็นเอหิปัสิโกคือเป็นสิ่งที่เชิญชวนให้มาดูให้มาพิสูจน์ได้ทุกเมื่อหลวงพ่อมั่นใจว่างานวิจัยของวิโก จะเป็นประโยชน์กับพระศาสนาเท่ากับอิโกโได้ช่วยพระพุทธองค์เผยแผ่พระธรรมคำสอนผู้ที่ช่วยงานพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความจำเริญและอายุยืนอย่างเช่นพระอนนท์ท่านมีอายุยืนถึง120ปิปีครับหากว่าผมอายุยืนก็จะช่วยงานพระศาสนาต่อไปอีกนานเพราะผมตั้งปณิธานไว้แล้ว ว่าจะอุทิศชีวิตให้กับงานพระศาสนาแม้จะเป็นเครื่อหัดก็ทำได้ไม่จำเป็นต้องบวชใช่ไหมครับถูกแล้วพวกที่บวชซะอีกที่ทำไม่ได้อย่างวิกโก้เรียกว่าบวชให้เปลืองเข้าสุขชาวบ้านไม่ได้ทำประโยชน์อะไรบางคนก็มาทำให้ศาสนาต้องมัวหมองเข้าตารามาบวชให้เสียผ้าเหลืองสึกไปก็เปลืองผ้าลาย ท่านนึกไปถึงนายทหารที่ชื่อกอบบุญลูกชายคุณนายสายบัวคนผู้นั้นแม้หากว่าจะอายุยืนก็มิได้ทำประโยชน์อันใดให้แก่ชาติและศาสนาหรือแม้แต่กับตัวเองเพราะยิ่งอยู่นานก็ยิ่งมีเวลาก่อกรรมทำชั่วมากขึ้นช่าง น, น่าสมเพชแท้ๆขณะที่ท่านพระครูเดินคุยกับนายวิโก้ เด็กชายวัยแปดขวบฟังอย่างตั้งอกตั้งใจเขาต้องการอบรมปัญญาเพื่อจะได้เข้าถึงความจริงของชีวิตเช่นบุรุษต่างแดนผู้นี้คิดคิดไปก็นึกอายแทนคนไทยทั้งหลายที่มีของดีอยู่ในบ้านในเมืองของตนแต่กลับไม่รู้จักนํามาใช้บุรุษผู้นี้มาจากต่างแดนกลับมาได้ของดีไปตัวเขาก็กําลังจะไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ จึงอยากจะได้ของดีติดตัวไปบ้างเช่นกันท่านพระครูและคณะมาถึงบ้านในปุ่นเมื่อตอนพลบค่านางทองคำภรรยาใหม่วัยเจ็ดสิบเศษของในปุ่นท่านจำท่านพระครูได้เพราะเคยพบท่านสองครั้งครั้งแรกที่วัดป่ามะม่วงในคราวที่ไปสร้างกุฏิกรรมฐานครั้งที่สองท่านเดินทางมาที่นี่เมื่อนางเอิงอายุครบ 40ปีและตายจากไปเมื่อวันที่ท่านมาถึงกลับจากวัดคราวนั้นในปุนก็ล้มป่วยเป็นอมภาทให้นายะอิยงปรนิบัติอยู่ถึง5ปีกระทั่งหล่อนตายจากไปเมื่ออายุครบ20ปีพอดิบพอดีเป็นอันว่านางะอิยงตายก่อนในปุนถึงสองชาตินิมต์จานางทองคำเชื้อเชิญภิกษุอคันตุกะ ท่านพระครูแนะนำนายวิโก้และเด็กชายให้รู้จักภรรยาเจ้าของบ้านคนทั้งสองยกมือไหวยอย่างนอบน้อมโยมปุ่นเป็นยังไงบ้างท่านถามถึงคนป่วยบรรดาลูกหลานพากันหาเสือมาปูให้พิกษุอคันตุ ก, กะนั่งพร้อมทั้งหาน้ำดื่มมาถวายก็ทรงทรงสุดๆุดอยู่อย่างนั้นละจากยิ่งตอนแม่เอิ่งตายก็สุดหนักลงไปอีก เขาคงรักกันมากน้ำเสียงบ่งบอกถึงหึงท่านพระครูรู้ใจจึงพูดปลอบว่าเขามีเวรมีกรรมต่อกันนะโยมอย่าคิดมากไปเลยถึงโยมเองก็ต้องเคยร่วมทํากรรมกับโยมปุณไม่เช่นนั้นก็คงไม่ได้มาอยู่ด้วยกันจริงไหมก็คงจะจริงกระมังแต่ฉันอธิษฐานใจไว้แล้วว่าขอหมดเวรหมดกรรมกันในชาตินี้ ชาติหน้าขอยะได้พบได้เจอกันอีกพูดด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจว่าสามีรักเมียเก่ามากกว่าตนอาตมาจะขอเข้าไปเยี่ยมโยมปุ่นได้ไหมท่านพระครูปเปลี่ยนเรื่องพูดได้จะ่ะนิมนต์ในห้องเลยจะ่ะไอ้มิง่งช่วยพาท่านไปดูปู่เองหน่อยนางบอกหลานชายวัยรุ่นที่เดินขึ้นบันไดมาพอดีหลวงพ่อไปกับไอ้มิ่งนะจ๊ะ ส่วนฉันจะไปจัดเตรียมที่นอนหมอนมุง้งนางบอกท่านพระครูแล้วก็สั่งลูกสาวกับลูกสะใภ้ให้จัดเตรียมที่นอนหมอนมุง้งสำหรับพระภิกษุรูปหนึ่งกับเครื่องหัดสองคนโยมปุณอาตมามาเยี่ยมจำอาตมาได้หรือเปล่าที่มาเยี่ยมเมื่อสามเดือนก่อนท่านพูดกับบุรุษวัยแปสิบที่นอนแมบอยู่บนเตียง กลิ่นปัสสาวะคละกรุงตลบห้องท่านสมพานวัดป่ามะม่วงหลหรครับนามัสการเขาพยายามยกมือทั้งสองขึ้นประนมอย่างยากเย็นด้วยว่ามันชาจนเกือบจะหมดความรู้สึกเป็นยังไงบ้างท่านพระครูถามอีกแย่ครับแย่กว่าตอนแม่สีอิ่งเขายังอยู่พอเขาตายแม่ทมองคาก็ไม่ค่อยเอาใจใส่ดูแลผมเท่าที่ควร ปล่อยให้ผมแช่อุจจาระปัสสาวะเป็นวันวั น, วนพวกลูกห ล, กลานก็เอาเรื่องไม่ค่อยจะได้นิทแมะสอะอ้งยังอยู่ผมก็คงไม่สุดเท่านี้ผมคิดถึงเขาเหลือกเกินครับท่านสมพาน์บุรุษว 80, ัยแปดสิบรำพึงรำพันตัดอกตัดใจเสถเถอะนโยมยังไงยังไงเขาก็ไปสบายแล้วไม่ต้องไปสนใจคนตายให้สนใจคนยังอยู่ดีกว่า ท่านหมายถึงนางทองคำรู้ว่าฝ่ายนั้นเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่สามีพร่ำรำพันแต่ภรรยากเก่าท่านครับผมอยากตายตามแม่ซะอิ่งจะได้ไปเกิดด้วยกันอีกทำไมผมไม่ตายตายไปสักทีนอนทรมารกรรมอยู่อย่างนี้ลำบากลูกหลานเปล่าๆนี่ถ้าผมไม่เคยบวชเรียนมา ก็คงจะฆ่าตัวตายไปนานแล้วที่ไม่กล้าทำเพราะกลัวจะต้องไปตกนรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะโยมขืนทา ม, มีหวังตกนรกแน่ขนาดพระยังต้องตกนรกเพราะฆ่าตัวตายท่านหมายถึงสมภารมดวัดกลางพรมนครที่ตะแปะเหลงห้วยเคยอ้างถึงว่าท่านผูกคอตาย ก็เพราะอย่างนี้แหละครับที่ผมไม่กล้าถ้าไปตกนรกก็จะไม่เจอกับแม่ไซอิงผมก็เลยต้องสังกตตายอยู่ไปวันวันรู้สึกอะไรอะไรมันอึดอัดขัดข้องไปหมดคำของบุรุษวัยปดสิบทให้ท่านพระครูรู้ว่าเขากำลังอยู่ในสภาวะจิตตกนับเป็นเรื่องอันตรายมากด้วยว่าถ้าเกิดเขาตายในสภาวะจิตเช่นนี้ จะต้องไปสู่ทุขติภูมิเพราะจิตเตสังกลิเททุขติปาติตกังขาเมื่อจิตเศร้ามองทุขติเป็นอันต้องหวังจึงเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องให้ความอนุเคราะห์ขึ้นชื่อว่าสงสาวกย่อมต้องดำเนินตามรอยบาทของพระาศาสดา ครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ทรงถือเป็นพุทธกิจในอันที่จะอนุเคราะห์แก่ลาวเวนยนิกรเป็นต้นว่าครั้งหนึ่งพระศาสดาประทับอยู่หน้าเมืองราชครืหลังจากทรงตรวจโลกเมื่อใกล้ลุงทรงเห็นนางจันทาลีจะจุติในวันนั้นและอกุศลกรรมของนางจกนำไปอุบัติในนรกเวลาเช้าเมื่อออกบินบาทจิงเสดจไปโปรด และยังจิตของนางให้ตั้งอยู่ในกุศลเมื่อพระพุทธองค์พร้อยหลังไปได้สักครู่นางก็ถูกวัวบ้าขิดถึงแก่ความตายและได้ไปอุบัติในสวรรค์ชั้นดาววดึงโยมรู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลังจิตตกอันตรายมากนะถ้าไม่รีบแก้ไขท่านอนุเคราะห์ด้วยการให้สติได้ยินดังนั้นบุรุษวัยแปดสิบเกิดรักตัวกลัวตายขึ้นมาในทันที อาศัยที่เคยบวชเรียนมาแล้วสองครั้งจึงรู้และเข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดและผมจะแก้อย่างไรครับท่านช่วยแนะนำผมด้วยผมยังไม่อยากตายคนที่บอกอยากตายเกิดเปลี่ยนใจในบัดดลโยมเคยบวชมาแล้วสองครั้งลองนึกดูซิว่าจะแก้อย่างไรถ้านึกไม่ออกอาตมาค่อยบอกผมนึกไม่ออกหรอกครับ ท่านช่วยบอกผมหน่อยเถอะครับเขาขอร้องโยมเคยปฏิบัติวิปัสนามาไม่ใช่หรืออวิปัสนามาแก้สิพยายามกำหนดรู้ปัจจุบันมันเจ็บมันปวดก็กำหนดเจ็บนอปวดหนอไปตามที่เป็นจริงถ้าเบื่อหรืออึอดอัดก็กำหนดเบื่อหนอเบื่อหนอหรืออึอดอัดหนอ รู้สึกอย่างไรก็กำหนดอย่างนั้นเมื่อกำหนดมากๆจนจิตเป็นสมาธิปัญญาก็จะเกิดทำให้สามารถมองสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงโดยไม่ได้ไปยึดไปติดข้องกับมันที่อาตมาพูดมาเนี่ยโยมพอจะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับทั้งเข้าใจทั้งรู้แล้วก็รู้ว่ามันยากแต่ผมจะพยายามนะครับชีวิตของผมเหลืออีกไม่เท่าไร ก็จะขอทำความดีให้กับตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายผมเพิ่งเข้าใจเดี๋ยวนี้เองว่าทำไมพระพุทธเจ้าท่านสอนอัตติอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนในภาวะเช่นนี้ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองถึงแม้เอี่งเขาอยู่เขาก็ช่วยผมไม่ได้นั่นเปรนไรล่ะโยมเริ่มเข้าใจความจริงของชีวิตแล้ว ความจริงชื่ว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเราจะเป็นที่พึ่งได้เอาล่ะอาตมาไม่ห่วงโยมแล้วทีนี้จะขอพูดธุระกับโยมธุระอะไรครับท่านมีอะไรจะให้ผมรับใช้ผมยินดีเพราะอย่างน้อยเป็นการตอบแทนบุญคุณที่มาให้สติแก่ผมไม่เช่นนั้นผมคงจิตตกกระทั่งตายจากโลกนี้ไป ผมถือว่าท่านมีพระคุณอย่างสูงอ๋อขอประธานโทษที่ให้ยืนพูดมาตั้งนานมิ่งไปหาเก้าอี้มาให้ท่านนั่งสิให้ท่านยืนอยู่นานแล้วในมิ่งเพิ่งจะนึกขึ้นได้จึงยกเก้าอี้ไม้สักมาให้ท่านนั่งและยกมาให้ฝรั่งกับเด็กที่มากับท่านด้วยนั่งลงแล้วท่านพระครูจึงพูดว่า อาตมาพาชาวต่างประเทศมาด้วยเขาจะมาทำวิจัยเรื่องการระลึกชาติส่วนเด็กคนที่เขาเคยเป็นเพื่อนกับอาตมาเมื่อชาติที่แล้วเขามาหาอาตมาที่วัดแล้วก็เล่าเรื่องครั้งอดีตให้ฟังนายวิโก้กับเด็กชายยกมือไหว้บุรุษชาลาอีกครั้งหลังจากที่ไหว้ตอนเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งยังมีคนที่ระลึกชาติได้อีกเหรอครับ ผมนึกว่ามีแต่แม่ะอิ่งคนเดียวนายปุ่นรู้สึกแปลกใจมีอีกหลายคนเชละก่อนมาเนี่ยก็เจอคนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับโยมพ่อของอาตามาชาติที่แล้วเป็นเศรษฐีอยู่จังหวัดอ่างทองตอนตายโยมพ่อก็เดินทางไปร่วมงานเผาศพเศรษฐีคนนี้แกไม่เคยทำบุญทำทานพอตายลงก็ไปเกิดเป็นลูกขอทานอายุ 14มาเจอบ้านตัวเองเลยระลึกชาติได้ถ้าไม่มาเห็นบ้านตัวเองก็ยังระลึกไม่ได้หรอกครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นอันนี้อาตมาก็ไม่ค่อยแน่ใจต้องถามดรกตรกริดโยมดกเตรกริดเลิกชาติได้ตอนไหนท่านถามเด็กเนื่องจากเขามีสองภาคบางครั้งก็เรียกเขาว่าหนูและบางครั้งก็เรียกว่าโยมดอกเตอร์ สำหรับผมระลึกชาติได้ตั้งแต่เมื่อตอนเป็นเด็กทารกนอนอยู่ที่โรงพยาบาลครับเด็กชายตอบแล้วแม่เอิ้งระลึกชาติได้ตอนไหนครับนายวิกโก้ถามในปุนเพื่อรวบรวมข้อมูลอ๋อพูดไทยได้โดยหรือผมนึกว่าต้องให้ท่านช่วยแปลให้ฟังพูดไทยได้อย่างนี้ค่อยรู้เรื่องกันหน่อย คนเป็นอัมพาตว่าหน้าแปลกที่เขาไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยท้อแท้เช่นวันก่อนๆ น, นับแต่แม่ซสีอิ่งจากไปเป็นครั้งที่สองเขามีความรู้สึกว่าชีวิตไร้ค่าต้องสังกตาอยู่ไปวันๆก็เพิ่งจะมีวันนี้รู้สึกถึงคุณค่าของชีวิตทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยกความดีให้ตั้นสมพานวัดป่ามะม่วง ถ้าให้อัตมาแปลรับรองงานนี้ไม่สำเร็จพูดแล้วจะหาหว่าคุยอัตมานเคยเรียนภาษาต่างประเทศนะดกรกฤตเป็นพยานได้เรียนแล้วแล้วก็คืนครูเ็าไปหมดแล้วจึงพูดไม่ได้แล้วก็ฟังไม่ออกแต่ก็พอเดาๆได้ท่านพูดยิ้มๆแต่งานนี้ไม่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศก็ได้ครับ ผมจะรวบรวมข้อมูลเป็นภาษาไทยแล้วค่อยไปแปลเป็นภาษาอังกฤษในภายหลังทำไมไม่แปลเป็นภาษาเดนมาร์กล่ะครับเด็กชายวัยแปดขวบถามผมต้องการให้คนประเทศอื่นได้อ่านด้วยถ้าเป็นภาษาเดนมาร์กคนที่อ่านก็จำกัดอยู่เฉพาะประเทศเดียวแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษคนได้อ่านกันทั่วโลกนายวิโกตตอบ ถ้าเช่นนั้นผมขออนุญาตแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสอีกภาษาหนึ่งได้ไหมคนทวีปอเมริกาจะได้อ่านด้วยยินดีครับผมไม่สงวนสิทธิ์เพราะยิ่งแปลหลายภาษาก็เท่ากับช่วยเผยแผ่คําสอนของพระพุทธองค์ให้กว้างไกลออกไปพวกเราจะได้ชื่อว่าได้ช่วยงานพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับหลวงพ่อถูกแล้วและคนที่ช่วยงานพระพุทธเจ้า จะเป็นผู้มีความเจริญท่านพระครูยังพูดไม่ทันจบเด็กชายวัยแปดขวบก็ต่อให้ว่าและอายุยืนแต่ผมไม่อยากอายุยืนเท่าพระ อ, อนอนท์หรอกครับเกรงใจลูกหลานเขานี่ก็อยู่มามากกว่าพระพุทธเจ้าหลายเดือนแล้วในปุนว่าท่านพระครูมองหน้าบุรุษวัยแปดสิและรู้ว่าเขาจะละโลกนี้ไปในอีกสองวันพระ นายวิโก้จึงโชคดีที่มาทันได้ข้อมูลจากเขา